เรื่องนี้ผมเจอมากับตัวส่วนตัวผมชอบเที่ยวป่าอยู่แล้วชอบเดินป่าเที่ยวน้ำตกสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนไปมักจะซ่อนอยู่ตามภูเขาที่เข้าถึงยากทำให้ได้บรรยากาศและสถานที่ที่สวยงามณวันที่ออกเดินทางทริปนี้ก็เหมือนทริปก่อนๆจุดหมายปลายทางน้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจน บ, บุรีผมนัดกับเพื่อนอีกห้าคน ที่ตัวเมืองกาญจน บ, บรุรีการพลอยฝุ่นจอดและน้ำขับรถยนต์ไปกันถึงต้นทางพวกเราฝากรถไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอจากนั้นก็จัดซื้อหาสเสบียงแล้วผมก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เขาหาคนนำทางให้ผมหน่อยที่ที่ผมจะไปเนี่ยพอจะมีคนนำทางให้พวกผมได้ไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าไอ้หนูเอ็งจะไปจริงเหรอแน่ใจแล้วนะ ผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราอุตส่าห์มาถึงนี่เสียเวลาเสียเงินมาแล้วแกก็เลยบอกว่าให้ไปหาพลานไพลพวกผมเลยออกตามหาพลานจนเจอตัวแล้วก็บอกจุดหมายที่จะไปสิ่งแรกที่เขาถามเลยพวกเองมีเหล้าเบียร์ของมึนเมาติดมาด้วยไหมวะพวกผมก็เลยบอกว่ามีครับพลานเลยบอกกลับมาว่าข้าจะส่งเองแค่ปากทางเข้าในนั้นข้าไม่อยากเข้าไป พวกผมเลยปรึกษาขอให้พลานวาดแผนที่คร่าวๆให้หน่อยระยะทางจากปากทางเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ12กิโลเมตรหลังจากนั้นพลานก็ไปส่งพวกผมที่ปากทางประมาณ10โมงก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆที่ผมเคยไปเลยครับเป็นสภาพป่าที่ค่อนข้างรกมีต้นไม้สูงปกคลุมไอการเพื่อนผมหันไปเห็นสารมันเอ่ยออกมาว่าเฮ้ยพวกเราเอาของเส้นเจ้าที่หน่อยไหม จะเข้าที่เข้าทางเขาอะเฮีจอจเลยพูดออกมาว่าไม่ต้องหลอกเสียเวลาว่ะนี่จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวถึงจะมืดซะก่อนผมเลยไม่อะไรมากมุ่งหน้าเดินทางเพื่อเข้าไปยังตัวน้ำตกบรรยากาศภายในป่าก็ชื้นๆครับเพราะมีต้นไม้สูงปกคลุมแทบไม่เห็นแสงแดดส่องลงพื้นเลยพวกผมหยุดเติมพลังเวลาประมาณ4โมงเย็นและแล้วก็ถึงน้าตกครับ มันสวยมากสวยจนพวกผมหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยเลยกะว่างั้นตั้งแคมป์ข้างๆน้ำตกละกันพวกผู้หญิงก็ถ่ายรูปเล่นน้ำจัดเตรียมอาหารที่พักผมจอร์ดและการก็นั่งจิบเบียรเล่นกีตาร์เพลินๆกับบรรยากาศที่แสนจะสุดสบายเวลาประมาณสองทุ่มพวกผมก็เก่ะกองไฟนั่งล้อมวงกันตามภาษาวัยรุ่นนี่แหละครับพักหนึ่ง พลอยปวดฉีมันเลยบอกให้ฝุ่นไปเป็นเพื่อนสัพกก็กลับมาฝุ่นก็ปกติร้องเพลงสังสรร์แปลกที่พลอยหลังจากที่มันกลับมามันก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาสัน่นน้ำตาคลอทั้งที่ปกติมันร่าเริงที่สุดในแก๊งผมเลยถามว่าพลอยเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาพวกผมหยุดร้องดาทาเพลงหันมาท้งพลอยทั้งสกิดถาม เขยา่ามันก็ไม่หือไม่อือพวกผมจนบรรยาจนรู้สึกว่ามันแปลกแปลกแล้วจึงยกมือไหว้พระที่ผมห้อยและไปคล้องคอมันจากนั้นมันก็หลับไปเลยเลยพามันเข้านอนสงสัยเป็นเพราะมันไข้จะขึ้นจากนั้นก็ออกมาส่งสันกันต่อดึกขึ้นดึกขึ้นเวลาประมาณห้าทุ่มพวกผมจะเข้านอนกันหมดไอจอ็อจหันไปทางที่เราเดินท้าเข้ามาเห็นผู้หญิงวัยกลางคน กำลังอุ้มลูกออกมาจากเงามืดของป่ามันเลยถามว่านะ้าครับจะไปไหนครับพวกผมก็หันไปมองกันหมดแกเลยบอกว่าลูกน้ําไม่สบายจะพาไปหาหมอที่อยู่ที่หมู่บ้านผมเอกใจนี่ห้าทุ่มนะเขาเดินออกมาทั้งๆที่ทางมันมืดขนาดนั้นได้ยังไงน้ํามันก็เลยหันมาบอกผมว่าเออนะ่ะเขาค้นพื้นที่เข้าออกประจําจนชินแล้วจากนั้นนะ้าเขาก็เดินหายไปในเงามืด ที่ทางออกไปยังหมู่บ้านพวกผมก็เก็บข้าวของเข้านอนประมาณเที่ยงคืนนอนไปยังไม่ทันจะหลับดีผมได้ยินเสียงข้างนอกเต็นท์เหมือนมีคนเดินย่ำใบไม้ข้างนอกผมจึงเดินหันไปสะกิดฝุ่นได้ยินป่ามันตบหน้าผมแรงมากแล้วมันก็บอกว่าเงียบปากเลยหลับๆไปซักได้ยินอะไรก็ห้ามทักห้ามพูดให้เราก็โมโหเอาก็ได้ยินจะให้ทํายังไงล่ะสักพักก็เงียบไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นประมาณตีหนึ่ง ผมได้ยินเสียงนกหวีดเวลเวมาตามลมตามด้วยเสียงเหมือนกับฝีเท้าหลายหลายเท้าย่าอยู่กับที่ผมก็ข่มตาหลับกลัวก็กลัวสักพักมีอะไรไม่รู้มาเขย่าเต็นท์จึงหันไปหาฟุนอีกครั้งแล้วถามมันว่าได้ยินเหมือนที่กูได้ยินไหมคราวนี้มันสั่นเลยครับเหงื่อออกไปหมดแล้วก็บอกว่ากูได้ยินทุกอย่างกูก็ยังหลับไม่ลงแล้วก็ตื่นกันหมดยกเว้นพลอยนั่งล้อมวงในเต็นท์ ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเสียงก็ยังคงดังแว่วๆในหูทุกคนตลอดแล้วก็หลอนกันเลยเสียงผู้ชายไวกลางคนดังมาจากนอกเต็นท์พวกไม่รอดกันหมดหรอกต้องมีใครสักคนต้องตายทำอะไรไว้พวกสักคนต้องตายต้องมีคนตายหลอนเลยครับกลัวสุดชีวิตมือไม้สั่นไปหมดทาอะไรไม่ถูกฝุ่นกับน้ำเอาแต่นั่งร้องไห้เพราะกลัวผม ไอจอดและไอการก็ได้แต่สวดมนต์ครับเท่าที่ชีวิตเคยรู้จักทุกบททุกตอนที่เคยเข้าค่ายธรรมะมีพระมีองค์ก็ควักออกมากันหมดพนมมือไหว้กันหมดจนเหมือนทุกอย่างค่อยๆเงียบสงัดขึ้นมีเพียงเสียงน้ําตกรอบข้างจากนั้นผมก็ภาพตัดครับหลับไปเลยจําเหตุการณ์ได้เพียงแค่นั้นเช้าประมาณ7จ็ดโมงฟ้าเริ่มสว่างไอการเข้ามาปลุกผมผมล้างหน้าล้างตาแล้วก็เรียกมันมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องเมื่อคือน เริ่มที่พลอยมันตื่นคนแรกมันเล่าว่ากูจําได้แค่ว่ากูปวดฉี่เลยชวนยูฝนไปขณะกําลังทำธุระก็มองไปเหนือต้นน้ำตกด้านบนเห็นวัยรุ่นน่าจะเป็นชาวบ้านแต่งตัวเหมือนกระเรียงจ้องตากูกูก็จ้องตามันตามันแดงเถือกเหมือนสีเลือดยื่นมือมาลูบหน้ากูแล้วกูก็หลับไปเลยพวกผมงงเลยครับงงมากงงจนทาอะไรไม่ถูกหลังจากอึ้งอยู่กันพักใหญ่ เลยตัดสินใจหาบน้ำทำธุระเก็บข้าวของเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านถึงปากทางประมาณบ่ายโมงกว่าๆพวกผมถึงรีบนําข้าวของที่ยังคงพอมีเหลืออยู่บ้างที่ยังไม่ทันได้ใช้ได้กินมนเส้นไหว้ศาลตรงปากทางกล่าบไหว้ขอขมาสิ่งที่ได้กระทําผิดไปขณะเดินเข้าหมู่บ้านฝุ่นมันบนว่าปวดหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนไข้จะขึ้นเลยพา ก, กันไปที่อนามัยของหมู่บ้านเพื่อที่จะขอยาแก้ขัด ผมเลยอาสาเข้าไปขอยาภายในนาไมยขณะกำลังนั่งรอยามีผู้หญิงคนหนึง่งมาถามพี่คนที่ผมขอยาว่าศพแม่ลูกที่ตายเมื่อวานฝากรถไปเลยไหมพี่ผมใจหายวูบเลยครับจึงขอพี่พยาบาลเขาดูแค่ใบหน้าเขาบอกว่าน้องเป็นญาติเขาหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้เป็นครับแต่ผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้เธอฟังเธอจึงให้ผมดูแค่ใบหน้าของศพเปิดมาผมแทบสุดเลยครับตะลึงพูดอะไรไม่ออกพี่เขาเลยตามเพื่อนๆนของผม ที่รออยู่ด้านหน้ามาดูผมเพื่อนทั้งหมดตะลึงกับใบหน้าศพนั้นมากครับอาการเดียวกันหมดมันคือคนคนเดียวกับที่ผมเจอเมื่อคืนครับใบหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยพลอยเลยพยุงพวกผมออกไปข้างนอกแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝุ่นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพวกผมตัดสินใจกลับกันโดยด่วนที่สุดขณะกําลังไปเอารถก็มีลุงแ ก, แก่เดินถอดเสื้อยันเต็มตัวเดินเข้ามาหาพวกผมแล้วถามว่า พวกเองคนกรุงเลอะเข้าไปบองสนวดเบียงมาสิผู้ผมก็งงว่าแกพูดอะไรแกจึงชวนไปนั่งพักกินน้ํากินท่าที่บ้านแกแล้วแกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าสมัยก่อนน่ะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ลึกไปในป่าที่พวกเองเข้าไปนั่นแหละชื่อหมู่บ้านโลถึงคนในหมู่บ้านป่ากันล้มตายเพราะสารตะกั่วในลําธารที่เขาดื่มเขากินกันจนตายกันยุกหมู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นเลยเรียกว่าบ่องสนวดเบียง ภาษากะเรียงมันแปลว่าพื้นที่ชุมนุมผีจนทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปหาของป่าทั้งนั้นแม้แต่พลานพลยมันยังไม่กล้าเข้าไปเลยมันมีเรื่องเล่าขานมามากมายสมัยพ่อของลุงเล่าไ้ฟังว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นค่ายทหารเถื่อนยิงกับพมา่าเป็นแรมเดือนเลยจนพากันล้มตายอย่างมากมายพวกผมตะลึงเลยครับจากนั้นก็ลาลุงลาผู้ใหญ่บ้านกลับกรุงเทพนัดกันทาบุญยกใหญ่เรียกว่าเดินสายเลยก็ได้ครับ สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเวลาไปเที่ยวสถานที่ที่มันต่างบ้านต่างเมืองเที่ยวเขาเที่ยวดอยหรือที่ที่เราไม่คุ้นเคยเตรียมของเส้นไว้เจ้าที่สักนิดเถอะครับมันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยสารอะไรก็ตามว่ากล่าวขอขมาสักหน่อยก็ไม่เสียหายเรื่องเล่าเบียของมึนเมาก่อนกินเปิดเส้นเจ้าที่ก่อนสักสองสามฝาแล้วค่อยมาลายกินก็ได้ครับสิ่งเหนือธรรมชาติมันจะมีมากมายสิ่งที่เรารู้ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธ ก็ควรขอลบบูชาไม่ใช่เห็นเป็นเรื่องที่เสียเวลาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ